ตอ่นตาก้วงอาจจะช้าเมือนนตก็อเรื่อ ง, งองารงนทา Wow. ตัว n ุกส่นพ วันคืนที่ผ่านไปเราได้ทำประโยชน์อย่างเตงมตัวยอย่างไรเยวมีแต่กินัปขี้จต่เสกแต่เพิ่มานเล่นอยู่เหมือนหม เป็นางนั้นมันเป็นน้ํหนูอต่นเด้กายนี่งหนังน้ําหนูจึงสอนตัวอย่างนั้นผู้ปังผู้ตัวา แต่เทวุขึ้นเพราะเป็นคารวะการงานนั่นือนบังคับจะมีกาลังกายเชียงคอเพราะเอาไปประกอ บ, บการงานดัานอหื่อเหนื่อยเหนื่ยเหน่อนแ้่มื่อหยดเป็นธาตุเป็นเมการงานนั่นอื่ น, นึ่ ง, ง, งที่จะออกกำลังกาย มีแต่กินแต่เล่นจิดใจพิดไปในสิ่งต่างๆนักเข้ารป้อเก่ก่อนเราเห็นแต่ใคนเป็นที่เ็มไครที่จะมาโยกท่องกับใจหนักหนาขนาดไหนเห็นยาวแล้วไปจิดตาตาไส่มื้อห่อหน่อยตัหายหัวตันือไม่ดีเลยวัด ปฏบัตอักธรรมมมีธรรมเต็มลาใจมีใจกิเลสความใส่หน้องข้าใจมีใจตัญหาความด่าเต็มชิดติดข้อโรูประเหนเข้าต่อกาหนินดีเผดเพลินไปตามรูป กันได้ยินเข้าแต่เราไปต่อเกี่ยวติดข้องอยากจะไปฟังเสือดเช เ, เ, เ ม, มื่อเมาหยุ่นโยงในเสียงแต่เพราะถนอม ส, สดอางนั้นอย่างนี้จะเสียงอัดเสียงทำจิตคืออาจารย์แม่สอนแล้วค่อยจะเข้าไปต้มผัดในจิตในใจทั้ตงตนจะเสียงคล่องโลกเสียงยวีดังเวัดห่างหูเ่านั้น ดูนี่คือปิดจุดจิตเหอนตาที่เจ อ, อยู่ในน้ำนั่งช่อดาในน้ำถ้าเอาขึ้นจากน้ำมิจะหยาดแหงละลงใตอน้นเดืไปใจทั้งเราจุดจิตตองอยู่ในโลกแต่พนงเดียวกันตะนั้นคือสองตนหากเพียงพยาญ เดินเต็มๆภาวนาชำรยจิตดูภายในอยู่สม่นสมอไปอย่าปล่อยใจให้าไปตามเรื่องโลกเพราะเรื่องโลกในสุดดูเบืยออัดเบื่อทำจริงจังเขาไม่มีอะไรที่จะสุดจะสบายแต่เสดยุสเทถ่าตับสมา น, นะคือนักบวชจิบใจจะต้อง ว่าห th <c ười> th ุ่นคุณนรั่วตุ่นจึงติดข้องกายเกิดต้อการทำทางานหนักหน่วงกว่าจะได้มายากมากินโลกมันเป็นอย่างนั้นความยิ่งเหองของใจานาดที่ทำนีาที่ทำให้พวกเราท่านยิ่งใหญยิ่งวาไม่ใช่เรื่องอื่นอื่น เพราะทุกสิ่งทกอย่างเขาสั่งมาหามา ใ, าให้พระโม่เลยได้แต่พูดปฏิบัติเป็นเม็ตเป็นหน่วยเขาเลยเพียงเลยถามเราจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพวกเราโอกาสหน้าที่เป็นนยู่ปเป็นที่จตปฏิบัติการจัดจิตใจทั้งตัว ส่วนคาเป็นไปนา่ได้จะนั่งหลับหูลับตาภาวนาการงานหนักี่มันมีความรุ่มเริงของใจจิไข่จิดจิดความต่างๆเพราะการเหนื่อยช้าสสารไม่มีอัตเมตธรรมความรุ่ ม, มเริงเต็นให่พรนที่อยู่ในวัดในวานในด้านเพพาะเชื่อเรื่องกิเสปัญหา ใน ม, ม, มีอะไรส่จะเป็นคิดเป็ น, นใจอย่ใจเท่ากับราคาตัญหาของตัวเพราะทุกอย่างการเหนื่อเห่มตัวมีเพียงพออารืมว่าที่อยู่คืออาศัยยิ่งใหญ่โตป่าคาราวาใหญ่โตอย่า ง, งไรคาราว่าหมั่งหลังหนึ่งเขาอยู่กันก้าคนจุดคนถ้าจะมันบ่ด้ดยกไม่เท่าพือเราอยู่พอเราอยู่ปะตุ หนึ่งต <i> ัาเอียงเดียวจัวะจะเดียวจะไปทัวหนึ่งทัวหนุ่มตัวหนึ่งกันเราช้าเขาซอยจนหักทะลุกันบางคือบางคนหนึ่งไปหนึ่งมาทาไรทามาจนดูไม่ออกหาของเขาเขาไม่ใส่สองรยุดท่องดีย็ด อะไรหนูแพะนมของเรายังมีอาหารทสบายหนาไม้และอุดยากๆจนการขบขันก้อนเนื้อกันเขามีอาหารเจนอย่างเดียวเท่านั้นทั้งตอบทัวรแต่ละวันแต่ละมื้อที่เขาทานกันไม่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างเต่เราพชื่อสามแมนมันเป็นอย่นั้น คนนั ân ân ma, người, ma, người, ้นเอามาอย่างหนึ่งคนนี้เอามาอย่งหนึ่งอาหารการกบฉันมีมากมาหลายอย่างทั้งหวานทั้งข้าวมีมากมาเอื้ดาขาดแทนอะไรเนี่ยฉันมากมาเดี๋ยวนี้พี่แกมายื่นปัญหามันก็เพื่อนทนติดใจมันมีวันสงบลางนับดับเยื่นปัญหาให้ พเพราะตัวเอาเอาใจใส่เป็นะพูดปฏิบัติราคาตัญหาจินกระเบื้อหรียญก่อติดเรายึมก็ชอบอย่างนี้อาจทำแม่สอนตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆเราติดเราชอบเราเมว่ามันดีดเยี่มันเกิดจากทีวลตเกิดจากตันหาทางใจไม่ใช่มันเกิด มาจากรูปแากเสียงส่วนนั้นกายของพวกเราท่านไม่ทราบอะไรไม่าหากใจเ่ยยินดีนไม่เกีเ่ยวข้องไม่เพิดเพลินไม่ลืมเลือนมันแปลว่ามีอะไรเป็นปัญหากายมันมีอยู่กว่สักตว่ากายแถวนั้นคนที่ลืมเลือนไปตามเด็กที่เหลือปัญหาจะมีความทุกข์ความั้นมาก เนผลเกิดขึ้นมาแากเขาไม่ใช่เขามีความสึกความสบาบยปัญญาธรรมะทู่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสิ่งจิตซักฟอกจิตใจหรือธรรมะสะสาใยจิตใจของเจ้าเราท่านสว่างใสด้วยเห็นตามเป็จนจริงในสิ่ ง, น, งนั้นนะไม่ลุ่มหลงเกิดเพลิน เป็น่หวยจำเป็นคื อ, อเราชอบเราฝึกเราคิดเราคอเหนือนในใเรื่องจำเป็นในชีวิตไม่ใช่เ ร, เรื่องจะนความฝึกมาให้หนอกจากใจเราหลือคนเพ่วไปทุกยากลำบากกายใจเพราะเชื่อเรื่องของขีดปัญหาในช่นเชื่อเรื่องของธรรมะคนเชื่อเรื่องธรรมะไม่ม <c oughs> หมลง โดตามหลักวิลีปัญหาหักห้ามต้านทานแนะสอนตนคนนั้นจะมีความสุขความสงบได้เรื่องอื่นให้ในวัดสมบูรณ์สมสุขทุกอย่างปถึงเรื่องเรื่องดีเรื่องอาศัยตัดใจทั้งสี่ยีรอนยุนเทบาเจนาสนะ ยาแก้ไขยซึมผิวนันเพิดเพลิ่มหลงหรือทำลายจิตใจไม่ให้สุขให้สงกให้สบายได้แต่เพราะราคาตันหาชอบติดคิดจมในเพลิดจนตันข้าถือย่ามันสวยมันงามถือว่ามันสุกมันสบายถือว่าเป็นเคองดีนิปุ เพราะาที่ไมพิจารณาในสิ forum, ่งเหล่นั้นตามเป็นจริงม่อดในธรรมทพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรเห็นจิดจริงจอย่างนั้นหากทีนี้พิจารณาจริงจังรูเขารูปเราไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันดินน้ําริงเหมือนกันอาสาดินดานเหมือนกันใจเสียใเหมือนกันเน่าเหม็นเหมือนกัน ไม่มีอะไรหน้าอาัศจรรย์ห น, น้าเผยเพลิน่าลุ่มหลงนี่คือผูม้มีธรรมะที่เจอนาตามเป็นจริงของมันถ้าหากมันยังละยังถอนไม่ได้มันที่นี้ที่เจนาอัศวะอสุวังความเหนื่อยสุดงดงามท้องตนเมื่อเห็นเรื่องท้องตนคนอื่นตัดอื่นมันเสมอสงสยัยอะไรที่เรา ไปลุ่มหลงมั่นหมายบายหญิงชายต่างๆพิจารณาดูขนขนแล้วฟันหนังเน่อเอ็นกระดูกหรือมันเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นเราเป็นเขาถามมันดูพิจารณามันดูให้ทั่วถึงที่เราไปกาหนดยินดีเราบางทพิจารณาอย่างนี้เลยเพื่อเชิญลุ่มหลงสองเน่า้องเหมน ของทุกขถือว่าของหอมของดีของสุขวารจีงการเสพตามเป็นทุกข์ไม่ใช่ของสุขของสบายการจีงผูดจึงเรื่องของการเอาไว้ก็เหมือนกันกับหลุมถ่านเทลคนใดในที่นี้ที่เจอมาไปตกเข้าคนนั้นจะเดืดรับทุกข์เดือดร้อน แทบประดาฟายหรือเหมือ น, น, กนกันกับความฝันพอเศดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะจุดเนื้อติดตัวมาได้เราฝันอย่างไรตื่นมาคำฝันนั้นจะไม่เป็นจริงให้จะหายไปไม่มีอะไรติดจริงควรเศดตามกว่าท่านเอานั้น เดือดความหลงความกำหนัดยินดี เ, นเพลิดเพลินแ่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้ยินดีเพลิดเพลิน เ, เขาหลงเ ร, เราเอาหลงเขาเดืวดแบบนี้อาจมีทำทั้งสองฝ่ายจึงเกิดกำหนดยินดีกันขึ้นและเพศของเราเกิดดีเขากิาดีอวัยะเพศต่างๆ หากสิดมเป็นไปในเรื่องของการอายะเพื่อนั้นยังมีอยู่แต่เขาไม่รู้ไม่ถนัดอะไรเศษไปเพราะใจใจก็ไอ่ดีความสุขความสบายอะไรท่าหาคิดใช้ตปในเรื่องของธรรมจริงจังจนเกิดเศษมากเข้าแต่จะต้องไหวเหงาเจ้าสุขทุกขปโยกติ จะเป็นหญิงก็ตามเนชายก็ตามถ้าหากไม่เสพตามร่างกายสือสดงดงามเปต่งปะกายพอเสพตามกันเข้าหน้าตาเงีเหี้ยวในสงาเราเคยเห็นจนจัดชี้พยายามจนเกิเสพตามมากๆจะต้องมีสีหน้าชี้ตา ปกติในสวยงามให้กําลังลังชาภายในตายเถอะดย่อนตกไปในใจเรื่องนำความตุขมาให้นอกจากใจลุ่มหลงพิจาราให้ถึงใจถ้าพิจารณาถึงใจพิจานาไม่อาจในธรรมแล้วมันไม่มีทางสงาัยคือเราถือว่หามันแดงอย่างนั้นอย่างนี้ มัเลือดถือทำหตดแต่มันนมเสวยงานอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนเนือมันเน่าทาไม่ทัดสีสมาละโปรกโปตกเหมือน่เหมือนขกันเราจะไปขูดทาไมเราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันอวัยวะของเรา หรือว่าเป็นผู้ชายก็เหมือ น, นกันกับอะไรของเขาทือเป็นผู้หญิงไม่มีสิ่งใดที่หยุแตกกันก็ห น, นังอันเดียวกันเนื้ออันเดียวกันแต่เราเข้าใจตามส ม, มุดของโลกโดยทม่พิจารณาธรร ม, มจะจึงไปลืมหลงติดข้องกำหนัดเผล่เชยฉะนั้นการพิจารณาธรรมะยังเป็นเรื่องแก่ไขราคาตัญหา ที่แกนะเล็กเข้าไปเท่าไรใจรื่เห็นตามเป็นจริงยอมจำนนห้ามสอนท้องวิทย์เจ้าเป็นของจริงอย่างนี้พามาสำระสักสอบจิตใจที่หลเหลงให้หายออกไปได้เห็นแทนที่จะดูยังภายนอกไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องเลยเหนังเข้าไปดูเนื้อเอ็นกระดูก ตัดไปใส่คุณต่างๆส่วนเป็นของในเสือในงามเป็นของอนิดจังทุกขรังอนัตตาหนุ่ยชื่อวินิตรธรรมะภายในถ้าไม่ดูเพียงผิวเผินภายนอกเท่านั้นจะ ต, ต้องดูเข้าไปภายในมันเสือขี่ไหนมันงามขี่ไหนอะไรไหล อ, ออกมาจากปากจากจมูกจากาวานหนักถ า, านเบารู้ตามเมื่อตามตัว มีอะไรสวยงามมีคุณค่าราคาคพอขายได้มีแต่ท้องเน้าท้องเหมนถ้าไปขายไปบ้านเลยเรียงของเขาเขาจะต้องรับต้องไหม้ต้อเหตุใดเพราะเป็นของปรกปรกมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเลือดที่เราเลือเราเหลวงว่ามันหน่าแดงมันเวยมันงาม